เพราะว่าจะมาเป็นพระที่สบายๆธรรมภาพเพิ่งไปจัดคอร์สสุขภาพร่วมกับโลกเสีทยท่านติชนัทฮันแห่งหมู่บ้านพรามประเทศฝรั่งเศสที่แม่ริมจังหวัดเชียงใหม่อันนี้สงแรงมากเลยเพราะว่าจัดคอร์สภาวนาข้ามทวีปนะนะจัดเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าภาพประทับใจมากถวายที่ดินมา25ไร่บอกว่า อยากให้ท่านมีที่ที่เอาไว้จัดปฏิบัติธรรมโดยตรงลูกศิษย์ฝรั่งที่นั่นเรียกอาตมาว่าสมลิล่งบุตดาเขาบอกว่าไม่เคยเห็นพระที่ที่มีชีวิตชีวาเขาบอกว่าทาไมคุณไม่เคยอ่ะก็หนูไปวัดเมื่อไรโดนดูทุกทีเลยอาตมาเลยบอกว่าเวลาไปวัดเห็นไหมพระประธานทุกวัดนี่ทุกองค์เลยใช่ไหมพระประธานทุกแห่งเลยนะ พระพุทธรูปทุกองท่งานจะยิ้มแต่เราไปทำยังไงไม่รู้เวลาไปหาพระแล้วกลัวบางคนขนลุกขนพองบางคนถค่จะไปคุยกันเนี้ยก็ทำทาอะไรไม่ถูกแต่พอทำถูกเท่านั้นเองพระเนี้ยไม่ได้หยุดเลยนะก็จริงๆเรื่องการการเข้าหาธรรมะเข้าหาพระเนี่ยเป็นเรื่องที่เราทุกคนควรจะฝึกเอาไว้ให้เคยชินเพราะว่า แนเงี้ยหนึ่งพระก็เหมือนกับนักจิตวิทยาแต่ที่ยื่นหลมาเมื่อปีที่แล้วเขานิมนต์ไปนิมนต์ไปเจ้าเดียวเท่านั้นเองแต่ปรกากฏว่าพอไปจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนไปดูงานร้านอาหารไทยเลยพอไปถึงญาติโยมเขาต่อสายถึงการทุกแห่งเลยเขาก็ไปรวมกันเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดบอกว่าพระมาพระมาแล้วร้านอาหารไทยที่ไหนมีอาหารดีๆก็เอามาโชว์พระ พระก็ต้องฉันฉลองสธาอิ่มแล้วก็ต้องเทศก็มีความสุขกันมากปีนี้ก็เชิญอีกทางอเมริกากลัวน้อยหน้าเนี่ยให้วีซ่ามาสิบปีเลยนะอบอกว่าให้ท่านเทศกันให้เต็มที่ <laughs> อาตมาก็ไม่ได้เอาอะไรไปสิ่งหนึ่งที่เตรียมไปก็คือตัวกับใจต่อกระจอเอาแค่เนี้ยไปแล้วปรากฏว่าคนที่มาฟังเป็นผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยเนี่ย ปีหน้าญี่ปุ่นเชิญมากันแล้วปีที่แล้วเมือ่อเมื่อปลายปีผู้บริหารของงานสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมาหาตมาอ้าตาหมายวก็บอกว่าเอามาก็้ามาสิไปวัดเบนจามา่าบุเพชก็เนึกว่าเหมือนเหมือนรายอื่นนะรายอื่นก็คือมาวัดเบนจา ก, ก็ไปดูบทเห็นอ่อนใช่ไหม The Marble Temple แต่รายนี้เขาบอกผมไม่ดูบทแต่ผมจะมาเรียนสมาธิกับท่านเป็นผู้บริหารระดับพันล้านของญี่ปุ่นเลยนะ มาขอเรียนวิชานั่งสมาธิเขาไปเรียนมาสี่ปีเขาไปเรียนแบบเซนมาเราถามว่าเอา้าเรียนมาตั้งสี่ปีเรียนแบบเซนด้วยนะทำไมหยุดความเครียดไม่ได้เราถามว่าคุณฝึกยังไงเขาก็บอกว่าผมก็ไปเรียนมาวิชาที่ผมเรียนก็คือฝึกฝึกไม่ให้คิดฝึกไม่ให้คิดอาตมาถามว่าที่ญี่ปุ่นนี่มีแม่น้าใหญ่ๆไหมเขาบอกว่ามี แม่น้ำใหญ่ๆที่มันไหลผ่านประเทศเนะคุณหยุดแม่น้ำได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ท่านความคิดก็เช่นเดียวกันความคิดก็เหมือนกับแม่น้ำที่มันไหลผ่านจิตใจของเราคุณจะไปหยุดแม่น้ำไม่ให้ไหลได้ยังไงใช่ไหมอาตมาเลยบอกว่าอย่าไปหยุดความคิดเลยมาดูความคิดกันดีกว่าเขาก็งงมาก ทำยังไงจะดูความคิดทำยังไงจะจะหยุดน้ำไม่ให้ไหลน้ําแห่งความคิดถ้าเราจะไปกัน้นน้ําเราจะต้องเสียเวลาทั้งชีวิตนะเขาบอกว่าเวลาเราทํางานแล้วทะเลาะกับซนะีอเนี่ยมีสองทางหนึ่งลางออกสองก็ตัวใครตัวมันสามทำยังไงไปไปบอกให้ซีอโอออกใครมันจะกล้าใช่ไหม ก็เช่นเดียวกันเวลาเราทำงานแล้วเครียดๆล้วจะหนีงานก็ไม่ได้เพราะอะไรงานคือชีวิตของเราเราเป็นเจ้าของธุรกิจแต่ยิ่งทางานก็ยิ่งเครียดธรรมาก็เลยสอนเขาเจริญสติให้ดูความคิดของตัวเองใช้เวลาแค่ครึ่งชั่วโมงกับที่เขาไปฝึกมาสี่ปีนะครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถหยุดในสิ่งที่เขาสแสวงหามาสี่ปีได้พอกลับไปทำงาน มันดีคือดีเขาก็โทรมาบอกเขาบอกว่าผมมีความสุขมากๆเลยเพราะอะไรเดินไปเดินมาในออฟฟิศเนี่ยเขาก็จเจริญสติไปด้วยคือดูจิตดูใจของตัวเองดูความคิดของตัวเองเขาบอกว่าก่อนหน้านั้นทุกๆครั้งที่บริหารงานเวลาโกรธขึ้นมาทีหนึ่งเนี่ยห้องมิตรติ้งใกล้ๆห้องประชุมใหญ่เนี่ยจะต้องมีมีพยาบาลเตรียมไว้ <laughs> <laughs> เพราะว่าเวลาใช้พลังงานเสร็จแล้ว <laughs> ออกจากห้องนั้นไป เขาจะนื่งโลแล้วก็คนที่นวดก็ให้นวดไปคนนวดดูแลหัวใจก็ดูแลไปเขาบอกผมเป็นอย่างนี้มาไม่รู้กี่ปีพอกลับไปญี่ปุ่นแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องใช้เพราะอะไรเขารู้วิธีที่จะบริหารตัวเองได้ผู้บริหารส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเสียชีวิตวันจันทร์ทํำไมเสียชีวิตวันจันทร์เพราะว่าหวัวใจวายหุ้นมันจะขึ้นจะลงก็วันจันทร์แล้งงานต่างๆโทรศัพท์มันจะดังก็วันจันทร์ใช่ไหม วันเสาร์วันอาทิตย์มันอาจจะหยุดไปแต่วันจันทร์มันจะดังเหมือนปกติแล้วงานทุกอย่างถ้าเราตั้งหลักไม่ดีเนี่ยมันก็วิ่งเข้ามาวันจันทร์เป็นวันเริ่มทํางานและจากผลการวิจัยระดับโลกน่ยผู้บริหารเสียชีวิตวันจันทร์เพราะว่าหัวใจวายแต่บางคนเนี่ยพอเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลกายสมดุลจิตเสร็จแล้วเขาบอกว่าผมไม่รอให้ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์ถึงจะมีความสุขแต่มีความสุขมันเจ็ดวันเลย ตั้งแต่เย็นวันเสาร์ถึงเช้าวันจันทร์มีความสุขทุกวันเพราะว่าเราเรียนรู้ที่จะปรับสมดุลกายสมดุลจิตเดี๋ยวท้ายๆธรรมภาพจะให้ให้พวกเราฝึกภาคปฏิบัตินิดนึงเพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีที่จะมองดูกระแสน้ำไหลอ ย, อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำซึ่งใช้งบประมาณมากเหลือเกินบางคนบินไปที่น่นบินไปที่นี่อยากจะไปพักผ่อน บินไปกินกาแฟที่สวิสมันก็ไม่หายนะเพราะมันก็ตามหลอกตามหลอนเราไปแท้ที่จริงปัญหามันไม่ได้อยู่ข้างนอกมีหลายคนที่ไปคุยกับอาตมาที่วัดแล้วถามว่าท่านอยู่มาได้ยังไงอาตมาก็บอกก็อยู่มาได้ไงสิบกว่าปีแล้วเนี่ยคือเขาสงสัยว่ามันไม่มีสุขภัณฑ์อะไรเลยที่จะทําให้พระอยู่จากมีความสุขได้นะพี่สาวอาตมายิ่งแล้วไฉ่เมื่อสามปีที่แล้วมาเรี่ยมอาตมาที่วัด มาเห็นนักธรรมนอนที่พื้นกระดานนะพื้นไม้นะ่ะพื้นไม้ขัดมันที่รอห้าทำมาไว้ตั้งแต่สมัยสร้างวัดใหม่ๆร้อยกว่าปีถามว่ามันนอนบนพื้นไม้ขัดมันเนะี่ยมันหลับเหรอเพ่อก็บอกว่าเนี่หลับไม่หลับฉันก็อยู่มากอนฉันสิบแปดปีเนะี่ยแล้วก็มีความสุขด้วยหลับสนิททุกคืนนะหลับสนิททุกคืนเคล็ับของการมีความสุขไม่ใช่อยู่ที่สุขภัณฑ์ภายนอก แต้ที่จริงมันเป็นเรื่องของใจของเรานะถ้าใจของเรามันดีเนี่ยไม่ว่าจะหลับบนพรมบนเตียงนุ่มๆที่มีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหรือว่าจะหลับบนพื้นกระดานหรือแม้แต่เราจะไปทุดงข้างบนมีแต่ดาวเี้ยแต่เราก็นอนหลับสร็จแล้วก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะว่าข้างในนี้มันมีสมดุลของมันคําถามต่อไปก็คือเอ๊ะทํายังไงจะให้เกิดสมดุลใจ ที่แล้วแต่มาภาพรับเชิญไปดูงานศาสนาที่ประเทศจีนกรุ๊ปที่แตมาไปนั้นมีมีคนจีนกลุ่มใหญ่เลยเป็นกรุ๊ปทัวร์คนจีน <S <S ทัวร์ลีเดอร์ก็เป็นจีนแต่ตมาภาพไปกับคนไทยสี่ห้าคนเวลาเราไปด้วยเขาความที่เขามาเที่ยวเมืองไทยขากลับเขาก็มีความสุขมากคุยกันลงเล็งลงเล่ ง, งบงเล่งบงเล็สนุกมากแต่พอไปสักพักหนึ่งเครื่องมันตกหลุมอากาศเพราเจอพายุะพอมันลงวูง้ดเหมือนเสียงคุยกันซาไปเลย แล้วกลับมาคุยใหม่นะกลับไปคุยใหม่พอเครื่องมันขึ้นไปก็กลับไปคุยใหม่กับตันก็บอกว่าให้ทุกคนอยู่ในอาการปกติไม่มีอะไรนี่เป็นเหตุการณ์ปกติแต่ขอให้พนักงานหยุดเสื่อมสักประเดี๋ยวเดียวเนี่ยพูดความจริงครึ่งเดียวนะบอกว่าปกติแต่ทําไมต้องให้หยุดเสื่อมด้วยล่ะคนมันก็ชักรู้สิว่ามันไม่จริงไปสักพักมันรูบอีกทีนี้เสียงคุยอีกแล้วก็ปกติสักห้านาทีแล้วก็คุยบงบ่งบ่งบงลกเลย สักพักนึ่งทีนี้มันวูบใหญ่แล้วนะมันลงสิบเม้รเลยนะสิบเม้รเลยนะเงียบจึบเลยทุกคนรู้แล้วว่าตัวใครตัวมันนตอนนี้พอเงียบเสร็จตัวมาก็หันไปมองหน้าถอดสีกันหมดเลยนะกับทันกึ้งฮิบทุกคนรู้เลยว่าอาการไม่เนี่ยมองออกไปทางหน้าต่างฟ้าแล้วฟ้าร้องเห็นสายฟ้าตัดผ่านนะเราเห็นเงาวุบเลยเราเนี่กึงเงีบนะ พอเสร็จแล้วยมมาถามว่าขอโทษนะตอนที่เกิดเหตุการณ์่ะพระคุนจ้างเอาใจไปไว้ที่ไหนอาตมาก็บอกว่าเอาอยู่เอาไปไว้ในที่ที่มันคนอยู่สิจริงๆเราก็เหงื่อมือออกเหมือนกันนะแต่เราไม่บอกใครแล้วอาตมา ก, ก็ย้อนถามคุณโยมคนหนึ่งแล้วโยมเอาใจไว้ที่ไหนเขาบอกว่าใจของโยมแล้วมันตกตั้งแต่ครั้งแรกเลยไอ้เอียดยึดอยู่ข้างล่าง เครื่องไม่ตกนะแต่ใจแหลกสลายอยู่ข้างล่างล่ะตั้งแต่นั้นมาเขาบอกว่าไม่ขึ้นเครื่องอีกเป็นปีเลยนะอาตมาก็นึกเราก็ทออตามองแหมตอนคุยกันนะไม่มองพระเลยนะบงบ่งบ่งบ่งลงแร็กมีความสุขมากพอเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมองหาพระเอาพระเป็นที่พึงก็ไม่รู้ว่าพระกกำลังแก้ปัญหาของตัวเองเหมือนกันเราก็แก้ของเราเงียบ แต่ความตกใจมันมันไม่อยู่กับเรานานถึงขั้นเป็นโรคทางจิตนะบางคนเนี่ยพอมันมันเจออย่างนี้ปุ๊บมันกลายเป็นโรคที่ฝังอยู่ข้างในเป็นโรคอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งจะไม่พาตัวเงไปอยู่ในสถานการณ์เช่นนั้นอีกเขาเรียกว่าเป็นโรคอั่หนึ่งเป็นโรคทางจิต่พให้มันฝังเข้าไปเห็นเครื่องบินแล้วไม่เอาเลยพระหร่อพระอมเลยใช่ไหมเหมือนบางคนไปเจอสึนามิเนี่ยขณะดดูละคร อ, อยู่เนี่ยเห็นทะเลในโทรทัศน์จะปิดหนีเลยนะเพราะเรากลัวไง อันนี้เรียกว่าใจของเราเนี่ย <c oughs> มันขาดสมรรถนันขาดสมรร <c oughs> ถนิสแ้ที่จริงวิกฤตการต่างๆข้างนอกที่ที่เราผ่านพบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานหรือว่าวิกฤตในขณะที่เดินทางในขณะที่ทำงานในขณะที่ใช้ชีวิตทุกๆเรื่องเราจัดการมันได้แต่พอเราไม่เคยเรียนรู้วิธีที่จะจัดการเท่านั้นเอง มันกลายเป็นสิ่งที่มาหลอกมาหลอนเราแล้วบางเรื่องเนี่ยมันเป็นทุกข์ที่ไม่น่าจะทุกข์นะแต่มันก็ฝังอยู่ในตัวเราอตมาเรียกว่ากระสุนฝังในกระสุนฝังในคือเราไม่เคยรู้มันนะตอนที่อตมาภาพไปบรรยายที่เชียงใหม่ล่าสุดเนี่ยที่จัดคอภาวนาเนี่ยอตมาก็นั่งขึ้นไปนั่งเครื่องบินไปแล้วในเครื่องบินลํานั้นนมีเด็กคุณแม่เอาลูกไปด้วยอายุน่าจะยังสักสองขวบสามขวดแล้วเด็กก็ร้องมากเลยร้องเพราะว่า เครื่องบินมันเจอฝนนะแล้วมันก็สั่นแรงมากเด็กก็ร้องอยู่เป็นสิบนาทีคนที่นั่งใกล้ๆแตอมาไี่โกรธมากเลยนะเพราะว่าแกกาลังอ่านชีตเอกสารจู่เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยเราจะขออ่านด้วยก็ไม่รู้เรื่องมีแต่ภาษาอังกฤษหมดเลยนะแล้วแกก็หงุดหงิดกับเสียงเด็กร้องอาตมาได้ยินเสียงเด็กอาตมาก็เออจเจริญสติเอาเสียงเด็กเป็นอารมณ์แล้วกันเราก็จเจริญสติของเราไปก็นึกดีใจว่าเออประเทศนี้มันมีเสรีภาพนะ เด็กขึ้นมาร้องบนเครื่องบินนะตอนเราเป็นเด็กนะเราไม่ได้ขึ้นมาร้องบนเครื่องบินนะเนื่องเด็กคนนี้โชคดีมากจะร้องไห้ทั้งเทอมมันมันขึ้นมาร้องอยู่บนเครื่องเลยชั้นเฟนะิร์สคลาสเลมันโชคดีของมันแต่คนข้างๆอาตมาตก็โกรธมากนะมันจะเหเด็กมันหมดกดเพลิกหน้ากระดาษเพิ่มเพิ่มเพเพิพิ่เลยโกรดสุดท้ายกกอา่านไม่รู้เรื่องแกเก็บเอกสารนั่งหลับตาแต่มันหลับไม่สถียรนะเพราะมันคนมันโกรธมันมันแสดงออก ทางสียงหน้าท่าทางแต่ของเราเรามีความเราก็ฟังเสียงเด็กแล้วก็อะเด็กคล้องไปแล้วก็ฟังเสียงไปเจริญสติตามเสียงไปแล้วก็เงียบอัตมาก็เนื้อไว้เนี่ยผู้ชายคนนี้ถูกกระสุนฝังในยังไม่รู้ตัวเสียงเด็กร้องเนี่ยเป็นเป็นเสียงแห่งความบริสุทธิ์นะความบริสุทธิ์ความสดใสความเบิกบานความมีชีวิตชีวามันทำให้อีกคนหนึ่งมีชีวิตชีวารู้สึกดี แต่คนนึงกโกรธมากเลยคุณโยมลองคิดดูะเสียงเด็กไม่มีพิษมีภัยเลยแต่ทําไมมันกลายเป็นปลายห อ, อกปลายดาบที่ทิ่มเข้าไปในหัวใจของอีกคนหนึ่งทําให้เขาโกรธมากมากเห็นไหมพอใจของเราไม่ได้รับการฝึกไม่ได้รับการปรับให้มีสมดุลแม้แต่เสียงเด็กก็ทําให้เราโกรธได้ใช่ไหมแล้วคนโกรธเนี่ยคุณโยมลองคิดดูว่ามันจะทุกข์หรือมันจะสุขทุกข์นะทุกข์มาก พอเครื่องบินแตะพื้นสนามบินเนี่ยได้ยินเสียงปลดล็อกเข็มขัดนิราภัยดังกริ๊กเลยรู้เลยว่าคนมันโกรธคนมีสติเขาก็ตรวจนิ่มๆเงียบๆอันนี้สะท้อนให้เห็นว่าถ้าเราไม่เคยปรับสมดุลใจในชีวิตแต่ละวันคุณยอมจะถูกกระสุนฝังในที่มันมาจากทางโน้นมาจากทางนี้เยอะแ ย, อยอไปดูทีวีดูอะไรต่างๆที่มันไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ได้ดังใจก็โกรธ ดูพระเอกนางเอกแล้วนางเอกทอดสะพานยังไงพระเอกมันก็ไม่เข้าใจเนี่ยเนี่ยเราก็จะโกรธพระเอกเอาใช่ไหมเปเชียใครมีแฟนเทเชียวมันไม่ได้ดังใจถูกัวออกแล้วก็โกรธอยู่หลายอาทิตย์นะเห็นไหมความทุกข์มันพร้อมที่จะมาเล่นงานเราตลอดเวลาถ้าใจของเราไม่ได้รับการฝึกอาตมาเคยเจอคนที่อยู่ในวงการบันเทิงคนหนึ่งเธอเล่าให้อาตมาฟังบอกว่าเนี่ยวันนี้หนูมาถวายวัตถุดิพพระอาจารย์ เป็นคนที่ทำงานแล้วทุกอย่างต้องเลิศเลอเพอร์เฟคสมบูรณ์แบบหมดตั้งแต่เรียนมาแล้วชีวิตดูดีทุกอย่างคือด้วยความที่อะไรอะไรก็สมบูรณ์แบบพอไปทำงานเนะ่ยเลยเรียกร้องความสมบูรณ์แบบทีนี้พอมันไม่ได้ดังใจก็มักจะโกรธแล้วเวลาโกรธทีหนึ่งนี่มันไม่เหมือนคนทั่วไปโกรธนะเขาบอกว่าเคยโกรธสูงสุด ถ, ถึงขั้นช็อกไปเลย โกรถึงขั้นช็อกนะแล้วทุกวันนี้ไม่ใช่มีมห น, หน้อยนะคนประเภทนี้มีมากเหลือเกินในยุคที่เราแข่งขันสูงเนี่ยโกรธเมื่อไรช็อกหามเข้าโรงพยาบาลเลยถ้าถ้าปั๊มหัวใจไม่ทันก็มีโอกาสสูงมากเพราะฉะนั้นเวลานอนกลางคืนเนี่ยเขาก็จะมีเครื่องมือเขาบอกว่าเวลาสวมแล้วจะมองเด้งเหมือนหมูอวกาศเอาครอบลงไปเพื่ออะไรให้มันช่วยระบบไหลเวียนของหัวใจกลางคืนก็ต้องนอนต้อ ง, ต, องต้องทานยานอนหลับด้วย แต่ในโลกของการทำงานจะให้มีใครรู้เบื้องหลังอย่างนี้ทุกอย่างต้องดูดีเห็นไหมพอมาทำงานกับตมาตมาก็ใช้วิธีปรับสมดุลพอมาทำงานกับตมาเนี่ยเอาแฟ้มมาห่อมาตั้งขนาดนี้เลยมีวันแรกที่เจอกันตมาก็นั่งฉันไปด้วยพอมาถึงเธอก็ขึ้นมานั่งก็บอกว่าตอนนี้พระอาจารย์ฉันเนี่ยหนูจะบรรยายสรุปเลยนะตมาก็านัญญญ่ลยเธอก็บรรยายวงเงบงเลงลงเล็งไปพอฉันเสร็จ เก็ถามว่าตกลงพระอาจารย์เอาอยัางไงอาตมาก็บอกว่าเอาเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดอีกทีหนึ่งสิถึง <laughs> <laughs> มองหน้าะไรเอาเรื่องเลยนะระดับซีอโอเนี่ยจะให้ฉายซ้ําใหม่ได้ไง <laughs> ไม่ทํามองหน้าเลยหมายความว่าเริ่มใหม่ทั้งหมดใช่ไหมอาตมาก็บอก <laughs> ใช่เพราะเมื่อกี้อาตมาฉันอยู่อาตมาทําทีละเรื่องฉันก็คือฉันไม่ได้ฟัง เธอก็เริ่มใหม่นะเธเริ่มใหม่ก็อาทิตย์ต่อมาก็ใหม่กทีนี้เห็นอาจารย์มาฉันเธอก็เคลีร์เอกสารทั้งเธอไปพออาจารฉันเสร็จก็ให้บรรยาสลบเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วอยู่มาวันหนึ่งอามาก็ให้ระคังไปใบนึงเล็กๆเลยท่านกฤชนาทานฝากมาให้จากฝรั่งเศสอาจาก็บอกว่า ะระังนี้เราเรียกกันว่าเป็นระครังแห่งสติทุกๆครั้งถ้าเธอโกรธนะให้ข้อระครังเพื่ออะไรเมื่อเสียงระครังดังขึ้นให้กลับมาหายใจเข้าหายใจออกแรงๆ เ, เพื่อจะได้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ให้ไปแล้ววันที่เธอมารับระครังเนี่ยเอาลูกมาสองคนด้วยลูกอยู่อนุบาลหนึ่งอนุบาลสองแต่มาก็สอนลูกสาวสองคนให้เชิญระครังบอกว่าแบเนีนะลูกถ้าแม่โกรธ น, นะ รักังหัวเตียงนะลูกให้ลูกเคาะดังๆนะถ้าคุณแม่กำลังเล่นยิ้วอยู่เนี่ยคุณแม่จะได้มีสติจะได้สุดลงบนเตียงและหายใจเข้าออกยาวๆก็ฝึกให้ทั้งแม่ทั้งลูกนะแต่มาก็ฝึกมีวันหนึ่งปลูกลูกตื่นแต่ตีห้าจะจะพาลูกไปเข้าไปโรงเรียนที่โรงเรียนราชินีบ่งบ่ง พาลูกตื่นๆเลยไปกินข้าวเอาดับหน้าเลยไปกินในรถลูกสาวไม่รู้ทำยังไงวิ่งไปหยิบแล้วขังมาแล้วก็เคาะเหมือนกำลังเธอเดินออกจากมุมแดงฮะได้ยินเสียงระฆังสุดลงบนเตียงเลยนะเธอบอกว่าเนี่ยเรานี่มันแย่เหลือเกินนะเด็กมันยังรู้เลยว่าแม่โกรธมันยังรู้ว่าจะห้ามตัวเองยังไงแต่เราไม่รู้ ตั้งแต่วันนั้นมาผู้หญิงคนนี้เปลี่ยนนะเพราะอะไรหนึ่งได้สติสองละอายแก่ใจละอายว่าเด็กแค่อนุบาลหนึ่งนะยังรู้ว่าจะห้ามความโกรธยังไงเห็นไหมจากคนที่โกรธเมื่อไหร่เนี่ยปรีทุกทีแล้วแล้วเข้าโรงพยาบาลเป็นเรื่องปกติทุกวันนี้เริ่มถอยห่างโรงพยาบาลมาเรือเร่อยๆแล้วก็ปรับสมดุลให้เป็นคนที่เดินช้าลงช้าลงช้าลง สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็สามารถเลี้ยงลูกได้อย่างมีความสุขตอนที่เธอเป็นคนที่มีความโกรธสูงเรี้ยวเนี่ยทั้งบ้านจะเป็นกันหมดเลยพอมาถึงคนขับรถเปิดประตูรถรอไว้เจ้านายขึ้นนั่งแม้แต่รถติดเธอยังโกรธนะจริงๆมันจะไม่ควรจะโกรธนะใช่ไหมเพราะอะไรมันไม่ใช่มีรถของเราอยู่บนถนนคันเดียวโกรธหมดเห็นอะไรโกรธหมดแต่พอมารู้จักอาตมาเท่านั้นเองอาตมาบอกถ้าโกรธนะ เปิดคาถาชินะบัญชรในรถฟังสวดไปจาคนซึ่งไม่เคยรู้เรื่องธรรมะเลยนะทำแต่ธุรกิจเดี๋ยวนี้ในสวดคาถาชินะบัญชรในรถก็เป็นนะเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเราติดปุ๊บเราสามารถเปลี่ยนอารมณ์โกรธของเราได้นะแต่คนบางคนเวลาเราโกรธปุ๊บนอกจากไม่เปลี่ยนอารมณ์โกรธนะเรายังหลอมรวมตัวเองเข้าเป็นส่วนหนึ่งกับความโกรธ สังเกตไหมเวลารถติดปุ๊บเนะี่ยพอรถมันติดข้างนอกใจเราติดข้างในอนาดมาเคยเจอเรื่องรถลงทีุย ม, มาราชดในะทางหลวนรถมันติดเป็นแพรเพราะติดขบวนสเสด็จพอรถติดปุ๊บเราก็จะเิญสติหายใจเข้าหายใจออกแต่คนขับรถมันทุบแตรเลยนะมันจะไปทุบทำใหม่ใช่ไหมเดี๋ินในหลวงแล้ก็เปิดกระจกออกมาดูเหรอก็รอให้ขบวนทั้งผ่านไปก่อนสิใช่ไหม อันนี้คุณโยมจะเห็นมารถติดกันเป็นแพร่เป็นร้อยนั่นเนี่ยเขาคือเพื่อนร่วมทุกข์ของเราทั้งขบวนเลยนะทําไมคุณไม่ดูพอคุณโกรธปุ๊บมันจะเสียไปทั้งวันใช่ไหมสังเกตไหมถ้าตื่นมาตอนเช้าแล้วทา็อ ก, กับพันระยาหรือสามีนะวันนั้นทั้งวันมันจะเสียถึงออฟฟิศคุยโทรศัพท์กับใครก็ไม่สนุกทานข้าวก็ไม่อร่อยแต่ถ้ามันดีตั้งแต่เช้ามันก็จะดีทั้งวัน นี่เองถ้าเราไม่เรียนรู้วิธีที่จะบริหารกระสุนไม่ให้ฝังในเนี่ยชีวิตของเรามันก็จะกลายเป็นศูนย์รวมของความทุกข์เคลื่อนที่เราจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวมันจะมันจะเป็นทีละนิดทีละนิดทีละนิดลูกศิษย์ตมาคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านทองอยู่เยาวาราชทาทองด้วยขายทองด้วยมีโรงงานทําทองนะด่าคนงานทุกวันยี่สิบกว่าปี จนวันหนึ่งไปไปฝึกสติกับอาตมาอาตมาก็ให้ฝึกสติวันหนึ่งน้ําตาไหลเลยมหาถามว่าอาจารย์หนูเพิ่งรู้รู้อะไรหนูเพิ่งรู้ว่าความโกรธกับจิตใจอันบริสุทธิ์นี้มันเป็นคนละส่วนกันเพราะอะไรเพราะเธอคิดว่าทุกวันเนี่ยถ้าวันไหนไม่โกรธ ว, วันนั้นรู้สึกว่าโลกมันจะไม่หมุนนะ่ะ คือต้องได้โกรธทุกวันนะแล้วต้องได้ด่าลูกน้องทุกวันด้วยวันไหนไม่ดา่าทั้งทั้งบริษัททั้งออฟฟิศจะรู้สึกว่าวันนี้เจ้านายเนี่ยผิดปกตินะ่ะแต่ถ้าได้ยินบุบง้บงเบง่บงบงุ้งเบ่งลองเล่นแสนดงว่าเออวันนี้เหตุการณ์ปกติพอไปปฏิบัติธรรมกลับมาเจ้านายเคยดา่าเคยโกรธไม่โกรธเงียบคนในออฟฟิศก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเจ้านายเราจะมาไหมไหนเธอไปบอกจะมาว่าหนูเนี่ย ร้อนจนเย็นเคยได้ยินไหมร้อนจนเย็นคือโกรธงดเงียบจนคิดว่าความโกรธความงดเงียคือเหตุการณ์ปกติของชีวิตพอไปฝึกปฏิบัติธรรมถึงได้แยกออกว่าอ๋อไอความโกรธที่มันเป็นส่วนเกินของชีวิตนะพอแยกออกถึงได้มองเห็นจิตใจที่บริสุทธิ์พอเห็นจิตใจที่บริสุทธิ์ของตัวเองก็เลยได้รู้ว่าคนเราเนี่ย สามารถนั่งอยู่เฉยๆก็มีความสุขได้เธอบอกว่าปกติจะไม่มีความสุขเลยไม่สามารถที่จะอยู่กับตัวเองได้นะถ้าว่างต้องโทรศัพท์ถ้าไม่โทรก็ต้องส่งชอ็อตไามเสร็จถึงใครคนใดคนหนึ่งหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็ต้องไปหามาใครมาเป็นเจ้ากรรมในเวรให้ได้ในวันนั้นหาที่ลงหรือไม่งั้นก็ต้องกิน พอเราบอกว่าให้อยู่เฉยๆได้ไั้มวางโทรศัพท์ให้หายใจอย่างเดียวไม่ต้องทำอย่างอื่นนะหายใจอย่างเดียวนะเธอบอกว่าให้หนูไปทำทองซะยังดีกว่าให้ไปตีทองยกลูกตุ้มตีทองยังสนุกกว่าอาตมาบอกาหายใจเฉยๆมันหนักตรงไหนเธอบอกว่ามันหนักมากแต่พอผ่านสามวันเท่านั้นเองได้ค้นพบทานน้ำผู้แห่งความสุขมันไหลซึมจากข้างใน มันไหลซึมจากข้างในแล้วเกิดปีติทั้งเนือ้อทั้งตัวตั้งแต่ศีรษะถึงถึงฝ่าเท้าทางการแพทย์เขาเรียกว่าสารเอนโดฟินมันหลัง่งเมื่อเราทําสิ่งที่ดีงานทําความดีหรือทํางานอย่างมีความสุขสารเอนโดฟินมันหลัง่งมันจะชําระสาสังรตั้งแต่ระบบประสาทเซลล์ทุกเซลล์ของเราจะชุ่มเย็นด้วยสารเอนโดฟินจิตใจก็จะผ่องใสเบิกบานแล้วโดยวิธีนี้เนี่ย มันจะทำระาสะาสามความโกรธความเครียดเก่าๆลงไปอัตามารเรียกว่าเป็นการดีท็อกซ์หัวใจหรือดีท็อกซ์หัวใจทิ้งความโกรธความเกรียดเก่าๆมันออกไปมันก็จะสร้างคุณภาพจิตดวงใหม่ขึ้นมาคุณภาพจิตดวงใหม่ขึ้นมาพอมันใสแล้วเนี่ยสิ่งที่มีผลเห็นชัดก็คือสุขภาพจิตดีสองเวลามันโกรธขึ้นมาเนี่ยคุณยมเห็นก่อนเห็นความโกรธก่อนนะฮะ คุณยมลองคิดดูสิว่าถ้าเราโกรธแล้วเราเห็นมันก่อนมันจะดีไหมอาตมาเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งชื่อคำเพยหยุดกรสุนคงเคยเห็นนะคือเวลามีใครยิงปืนมาหาเราเนี่ยเราเห็นกระสุนก่อนก่อนที่มันจะทะลุเข้าไปเราเอามือวางแค่นในกระสุนมันหยุดต่อหน้าแล้วมันตกลงไปเราเปรียบความโกรธความเกลียดเหมือนกระสุนนะถ้ามันพุ่งขึ้นมาในใจเนี่ยคุณยมเห็นความโกรธก่อนมันจะตกลงไป และแทนที่เราจะโกรธมือนเดิมเราก็ไม่โกรธแทนที่เราจะเป็นโรคความดันขึ้นเราก็ไม่ขึ้นแทนที่น้ําตา ม, มันจะเพิ่มมันก็หลุดลงไปนะเนี่ยโรคต่างๆมันจะบริหารได้เราบริหารโรคบริหารความเครียดและอีกสิ่งหนึ่งที่ออกมาทางผิวพันธ์วันหน้าก็คือสุขภาพกายเนี่ยมันผอ่องใสอาตมาเนี่ยคนทักผิดทักถูกประจำเลยนะวันก่อนไปออกรายการป a r o n g k โ s o ซต e t y เขาบอกว่าท่านอายุ26ใช่ไหมเราบอกว่าเนี่ย เค็ดลับเลยนะคือถ้าคุณฝึกสติให้เป็นนะหยุดความกลรธความเครียดได้นะ่ะมันชะลอแม้กระทั่งอายุมันทําให้เราสดใสแม้กระทั่งเสียงหน้าท่าทางแล้ว่าเรามีความสุขอยู่ได้คุณหมอวันที่ไปเจอตมาครั้งแรกเนะี่ยอ่านธรรมะดับร้อนเพราะคุณหมอร้อนจากภาคใต้มา <laughs> <laughs> ร้อนมากเลยถูกเครื่องเสื้อนมิซัดไปติดเคยฝั่งที่วัดเบญจะมา <laughs> วัดอาตมาแล้วก็อยากไปคุยกับตามาว่าคนเขียนเป็นใคร มันมันมันไม่จบอ่ะอยากไปคุยให้มันหายร้อนก็วางเป้าไปไหนแต่ว่าต้องอายุต้องสี่สิบขึ้นนะพอไปถึงคุณหมอบอกว่านี่มันรุ่นลูกหมอเลยนะเนี่ย <c oughs> ทาไมท่าเด็กได้ขนาดนี้อาตมาเขาบอกว่าเอา้าก็ใครบอกให้เป็นพวกเดียวกับความโกรธล่ละ <c oughs> ใช่ไหมควโกรธ น, นี่คือคนแปลกหนะ้าอ่ะอาตมาไม่ยอมเป็นพวกเดียวกับมันแยกกันออกเราเนี่เป็นพวกเป็นพวกผู้ใหญ่ใจดีถ้าใจดีเราจะดีใจนะ ใจดีก็ดีใจไม่เหมือนกันนะใช่ไหมคนที่ดีใจเนี่ยเดี๋ยวมันจะเสียใจเพราะอะไรใจมันยังไม่เกิดสมดุลดีใจกับเสียใจนี้มันเป็นเป็นท่าตรงข้ามกันใช่ไหมมันเป็นบวกเป็นลบแล้ววันนี้มันดีใจเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะเสียใจถ้าเสียใจแล้วมันจะดีใจมันจะเป็นอย่างนี้จะขึ้นจะลงตลอดแต่ถ้าใจมันดีนะถ้าใจมันดีมันเลือกที่จะดีใจเมื่อไหร่ก็ได้เลือกที่จะเสียใจก็ได้เลือกที่จะไม่เสียใจก็ได้ เลือกที่จะเซนซิทีฟอ่อนไว้จุดเทียนทานข้ามก็ทำได้นะหรือเลือกที่จะอยู่เฉยๆยังมีความสุขยังมีสติก็ทำได้เราสามารถบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆผลที่ออกมาทางกายก็คือแม้แต่หน้าตาที่พันวันนักก็องใสใครที่อยากชะลออายุเนี่ยช่วยได้เลยความโกรธต่างๆความเกลียดความเครียด เราเอามันอยู่หมัดเพราะอะไรมันไม่ถึงเนื้อถึงตัวเราเวลาเราไปเดินป่าเนี่ยเราจะเอามะนาวอามตกโกนนะ่ะทาที่มือที่เทา้าแล้วก็เดินพอเราเดินไปนี่ถ้ามันจะเกาะเราถ้าท่านี้นมันได้กลิ่นมะกรูดมะนาวแนละ้วมันเกาะปุ๊บมันหลุดเลยนะทําไมมันหลุดอ่ะมันเป็นของแสลงในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันใครก็ตามที่มีสติมากๆคือความรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ย ความรู้ตัวเนี่ยความตื่นรู้เวลามันปวดอะไรขึ้นปุ๊บมันจะเกาะเราไม่ติดคำชมมาเอ๊ะคำชมเออรับไว้คำด่ามาเลือกที่จะไม่รับเอาไปคำด่าเอาไปไม่รับนี่คือเราบริหารได้จัดการได้นะอย่า <c oughs> งคำชมมาเนี่ยคำชมนี่มันเหมือนการรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมเรารับไว้เพื่ออะไรเป็นพลังหล่อเลี้ยงจิตใจแต่คำด่า <c oughs> นี่มันเหมือนน้าแหลม มันจะทิ้มเราเพราะฉะนั้นเรื่องอะไรฉันจะรับฉันก็ปาดมันทิ้งไปพระพุทธเจ้านี่เป็นตัวอย่างคนที่ บ, บริหารตัวเองได้ดีมากเขาเรียกว่า self control คือวันหนึ่งมีคนหมั่นไส้พระองค์มากเพราะอะไรคือพระองค์จะไปเทศโปรดชาวเมืองที่เมืองหนึ่งปรากฏว่าผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยร้อยวันพันปีไม่เคยตื่นตีสามตีสี่มาหงข้าวพอรู้ว่าพระพุทธเจ้าจะมาเธอุกสามีโกรธมาก ถ้ามั น, นัวร้อนมันแน่มาจากไหนเนี่ยใช้คํานี้เลยนะเธอถึงลุกขึ้นมาทํากับข้าวกับปลาไปให้ทานฉันอยู่กับเธอไม่กี่ปีโกรเมื่อเลยออกจากบ้านไปก่อนพรรยาด้วยนะพัรยายังทกับข้าวไม่เสร็จไปหละไปถึงําปิดนั่งต่อหน้าพระพุทธเจ้าแล้วไปชี้หน้าด่าพระพุทธเจ้าด้วยคําชุดสําหรับด่าคําชุดสําหรับด่าก็คือคือคําเด็ดๆทางนั้นเลยนะ ด่าเสรจพุทธเจ้ า, จาคนิี้จะครึ่งจั่วโมงได้พอเขาด่าเสร็จพุทธเจ้าก็ถามว่าจบแล้วใช่ไหมจบแล้วพระพุทธเจ้าค่ะอนี่ฉันถามอะไรเธอหน่อยสิเวลาเธอไปบ้านคนอื่ น, นไปเยี่ยมบ้านเขาเขายกสำรับกับข้าวมาต้อนรับถ้าเธอไม่ทานเนี่ยสำรับกับข้าวนั้นจะเป็นของใครก็เป็นของเจ้าของบ้านสิพระพุทธเจ้าค่ะ พราพุทธเจ้าก็บอกเช่นเดียวกันเนี่ยเธอมาด่าฉันฉันไม่รับนะเพราะฉะนั้นคาด่าจะเป็นของใคร <c oughs> แกรับกเต็มๆเลยนะวันนะี้ทํามพามระรัง ก, กุตีเลย <c oughs> บอกว่าโอ้ยถ้ารู้ว่ากระสุนจะด้านฉันจะไม่เสียเวลาด่าขนาดนี้เห็นไหมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่หวั่นไหวไม่เสื่อมเสือนกับคําด่าพระองค์ก็มีความสุขมากคุณโยมอยากเป็นหน่วยความสุขเคลื่อนที่ไหมเนี่ย คือคือเราสามารถเลือกรับเลือกบริหารชีวิตเลือกบริหารอารมณ์เลือกบริหารวิกฤตการณ์ต่างๆพลิกร้ายให้เป็นดีได้ตลอดเวลามองยังไงก็มีแต่กำไรชีวิตอันนี้มันเป็นเรื่องของการปรับสมดุลใจทั้งหมดเลยจะยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่ง <c oughs> เพื่อจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นคือคุณโยมคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของธุรกิจ ใหญ่โตมาหัวรานมากครองหน้าน้ําเจ้าพญาเละเจ้าของธุรกิจเรือ ด, ด่วนเลยนะมีหลายเจ้าแนละ้วบอกว่าเจ้าเดียวเดียวใกล้เกินไปมีหลายเจ้าก็ไปเล่าให้แต่มาฟังว่าพระอาจารย์หนูทุกข์มากเหลือเกินแล้วก็บอกว่าทําไมทุกข์ล่ะดูซิร้านอาหารก็ไปได้ดีในหกเจ็ดร้านแล้วคนก็ไม่ได้ขึ้นเรือ ด, ด่วนน้อยลงนะขึ้นกันทุกวัวนคลมคล ม, คมดูซิเนี่ยจะทุกข์อะไรอีก เธอก็บอกว่าหนูทุกเพราะเพื่อนไม่ใช่ทุกของเรื่องนะทุกเพราะเพื่อนเพื่อนทําอะไรให้ทุกเพื่อนมายืมเงินหนูอตาตมาก็คิดว่าใจกว้างนะสักเท่าไหร่ฉันจะช่วยใช้หน่อยมันเท่าไหร่อ่ะสิบล้านท่านอันนี้เราถ้าไม่อยากเป็นพวกแล้วนะตัวใครตัวมันได้สิบล้านเนี่ยเ้าก็ถามว่าทําไมให้ยืมเยอะอย่างนั้นล่ะก็สงสารเพื่อน เนี่ยสงสารเพื่อนแล้วทํายังไงอะถึงได้ทุกข์แล้วเพื่อนตอนนี้ไปไหนหนีไปเมริกาใช่ไหมไม่หนีท่านเอ้าไม่หนีทําไมไม่ใช้ไม่เพียงไม่ใช้นะท่านเพื่อนหนูเนี่ยถือหลักไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอยู่บ้านใกล้ๆกันนี่เองแต่จะให้หนูทํายังไงล่ะก็เจอกันอยู่ทุกวันเพียงแต่ไม่พูดกันเพราะอะไรเพราะเงินสิบล้าน ธอตือหลักไม่มีไม่หนีไม่จ่ายใช้ชีวิตน้กกำมาเลทําไมไม่ฟ้องฟ้องหนูก็เป็นข่าวสิท่านเสียหมดไม่อยากขึ้นโรงข้นสานแล้วอยู่มาได้ยังไงเนี่ยก็อยู่มาสิบกว่าปีแล้วเนี่ยแต่กโกรธมากโกรธเพื่อนมากต่มาก็เลยถามมาเอางี้ตอนนี้เพื่อนมายืียเงินเนี่ยเพื่อนเอาปืนมาด้วยไหมเธอก็บอกไม่นะท่านเพื่อนก็มาดีๆเนี่ยเพื่อนยังพาไปเลี้ยงข้าวได้วยซ้ำไปเห็นไหม เวลาเขาจะเอาอะไรจากเขานะเขาจะเอาจากเราเนี่ยเขาจะเดินเข้ามาหาร้อยวันพันปีไม่เคยพาไปเรี้ยงข้าเขาก็จะพาไปพาไปเลี้ยงข้าวเสร็จแล้วก็จะถามจิมจิมเงินเราก็ถามหนึ่งเพื่อนไม่ได้เปิดมาจี้ใช่ไหมใช่สองเราไม่ให้เพื่อนยื่มนี่ผิดไหมก็ไม่ผิดสามแล้วทําไมเราถึงให้เพื่อนยืมเยอะขอนาดนั้นล่ะสิก็หนูสงสารเพื่อน อาตมาก็ถามต่อไปสี่ถ้างั้นคนที่ควรจะโกรธเนี่ยควรจะโกรธเพื่อนหรือโกรธตัวเองโกรธใครรวมจะโกรธใครแกก็นึกมันต้องโกรธตัวเองสิไปโกรธเพื่อนทำไมอ่ะใช่ไหมเขาไม่ได้เอาปืนมาที่นะคุณอยู่ในฐานะที่จะปฏิเสธได้แต่ก็ไม่ทำสุดท้ายเธอก็มามองด้วยเหตุด้วยผลนึกไปนึกมา ก็ค้นพบต้นตอของความทุกข์ว่าเออเรานี่มันเสียค่างโง่เองนะเราเสียค่างโง่นะทําไมไปให้ยืมเยอะขนาดนั้นใช่ไหมปฏิเสธได้แต่ก็ไม่ทําแล้วพอโกรธเพื่อนเน่ยความทุกข์ฝังอยู่ในใจเป็นสิบปีนะเพราะอะไรเพื่อนยืมเงินเมื่อสิบปีที่แล้วแต่พอไม่คืนก็โกรธตลอดแค่เห็นหน้าเพื่อนนะ ตามอขอแรกคัตเลียจ่าสาเนี่สดุ้งเลยแค่เห็นชื่อท่านั้นเองก็โกรธแล้วได้ยินใครเอ่ยถึงก็จี้ขึ้นสมองเห็นไหมอันนี้กระสุนมันฝังในตลอดเวลาทั้งที่เรื่องมันจบมาเมื่อสิกว่าปีคนส่วนใหญ่เนี่ยทุกข์เพราะอย่างนี้อัมตมาเรียกว่าเป็นรีไซเคิลทุกข์ทุกข์มันจบไปแล้วใช่ไหมแต่ทํำไมคุณไปรื้อมันมาทุกข์ได้ตลอดเวลาทั้งทั้งที่ปัจจุบันนี่คุณมีความสุขได้มากเลย ทุกอย่างมีพร้อมกับแต่พอไม่มีสติปล่อยให้ความทุกข์ในอดีตกลับมาทําร้ายปัจจุบันเราทํำร้ายปัจจุบันด้วยอดีตครั้งแล้วครั้งเล่ากี่คนละที่เป็นอย่างนี้ในในเล่าแล้วก็จะเล่าอีกคนหนึ่งเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเอาวัตถุดิบมาถวายตมาทุกๆุกทุกๆุกปีจะมีวันหนึ่งที่เป็นวันร้องไห้แหนชาติ คือเป็นวันทําบุญนึกนึกถึงคนผู้ชายก็มาหาตามาทําบุญเจ็ดวัดเจ็ดวาเวลาคุณผู้ชายเสียเนี่ยทาบุญเจ็ดวัดมีวันหนึ่งไปทําบุญกับอาตมาถวายสังฆทานเสร็จแล้วตามาก็เทศอาตมาถือหละว่าไม่รับสังฆทานของคนโ ง, งนะ่เพราะฉะนั้นถ้ามาถวายสังฆทานต้องเทศกันหนึ่งถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แ่ะแต่ตามาไม่อยากรับของโยมเฉย บางเดียวเอาแบรนด์มาให้ต้งองกล่งเบอร์ เ, รอเทอเลยนะพระให้แค่ยะถาสพีมันไม่คุ้มรู้สึกมันมันน้อยไปหน่อยแต่มาจะถือหลักว่าถ้ามาที่นี่นะท่านหลงเข้ามาเราจะต้องเทศเลยต้องเทศซะหน่อยเราก็เทศให้ฟัง <S <S ในขณะที่ท่านมาเทศคุณโ<ร>ยมก็ร้องให้กระซิกกระซิกเราถามว่าตกลงจะฟังเทศไหม <S <S <S ฟัง แล้วทำไมต้องร้องให้ก็บอกว่านึกถึงคุณผู้ชายคุณผู้ชายเสียไหม ก, กี่ปีเธอบอกว่านะับปีนี้ก็เข้าปีที่สิบสองทำไมต้องร้องไห้เธอก็บอกว่าก็นึกถึงตอนที่เขายังอยู่เพราะว่าตอนที่เขายังอยู่ไปไหนเราก็ไปด้วยกันเนี่ยมานั่งอยู่ที่นี่ก็นึกถึงเหมือนกับเขาอยู่ตรงเนี้ยธรรมาบอกเขาเสียชีวิตไปกี่ปีปีนี้ปีที่สิบสองแล้วท่านร้องทุกปีไหมทุกปีท่านเห็นไหม อันนี้คือคืออดีตห อ, อกดาบกระสุนของอดีตที่มันจบไปแล้วมันมันย้อนกลับมาที่มาแทงเราเพราะเราไม่รู้สึกตัวจริงๆถ้าเรารู้สึกตัวเท่านั้นเองความทุกข์แบบนี้มันเล่นงานเราไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นทุกข์ในปัจจุบันเช่นดูละครแล้วไม่ประทับใจพระเอกนังเอกเชียร์คาเดมี่แฟนตาเชียร์แล้วมันไม่ได้ดังใจเนี่ยเราก็ไม่ทุกข์เลทุกข์ในอนดีตก็ไม่มาทาร้ายเรา ไปคุยกับลูกค้าลูกค้าปฏิเสธเราก็ไม่โกรธบางคนขายบัตรเครดิตคุยกับลูกค้าคุยอยู่ตั้งชั่วโมงนึงเสร็จแล้วเอาไม้โอกาสหน้านะั่งมองท้ายทอแล้แม่ <ś led> จะไม่ซื้อทําไมหลอกให้ฉันคุยเก็บ <ś led> <ś led> มาโกรธตั้งนานใช่ไหม <ś led> นี่คือความทุกข์แล้วถ้าคุณยมสั่งสมทุกและทุกน้อยเหล่านี้นะมันจะเป็นทุกข์ก้อนโตนะแล้วมันจะกลายเป็นมะเร็งแห่งความทุกข์ฝังอยู่ข้างในเรา อาจารย์ของอาตมา ท, ท่านบอกว่าความคิดเนี่ยก่อให้เกิดการกระทําการกระทําบ่อยๆนี้มันจะสั่งสมกลายเป็นนิสัยนิสัยเมื่อเราทำจนเคยชินแล้วมันกลายเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยเมื่อสั่งสมมากๆสุดท้ายมันกลายเป็นบุ ค, คลิกและบุ ค, คลิกเมื่อมันลงตัวแล้วมันจะกำหนดชะตากรรมของเราใช่ไหมสังเกตไหมเวลาเราคิดอะไรเนี่ยเราคิด คิดอยู่เป็นวักเป็นเวรเลยนะสักพักนมันจะหลุดออกจากปากมานะมันจะหลุดออกจากปากโพรงไปหาคนใกล้ตัวก่อนเราอยากรู้ว่าคนใกล้ตัวของเราเนี่ยมันกำลังปลื้มใครนะคอยฟังดูวันนั้นพูดถึงใคร <c oughs> บ่อยมากครูวิาจารย์วิธรรมานหนึ่งท่านเป็นนักอ่านตั้งแต่เด็กจนโตช่วงไหนเนี่ยถ้าเราอยากรู้ว่าหลวงพ่อกำลังอินเทรนต์แต่เรื่องไหนนะคอยดูว่าท่านจะพูดถึงหนังสือเรื่มไหน ถาก่านเสร็จแล้วาจะเท่เรื่องนั้นตลอดเลยนะสักอาทิตย์หนึ่งเอาจนถ้าหนุ่มเล่นน้อยเซ็งกันไปข้างหเนี่ยนั่นคือความคิดเมื่อทํำบ่อยคิดบ่อยๆมันกลายเป็นคํำพูดพูดบ่อยๆเนี่ยมันจะสังสงกลายเป็นนิสัยนิสัยมันออกมาเป็นอุปนิสัยสุดท้ายมันตกผลึกเป็นเป็นบุคลิกของเราบุคลิกมันกําหนดวิถีชีวิตเห็นไหมความทุกข์มันจะก่อตัวอย่างนี้มันจะเริ่มทีละน้อยทีละน้อยทีล ะ, ยทละน้อยเป็นหยดน้ําแห่งความทุกข์ หนึ่งหยดสองหยดสามหยดสี่หยดน้ำหยดทีละน้อยน้ำย้อยทีละหยดจะหยดมากหยดน้อยหยดบ่อยๆเดี๋ยวก็เต็มใช่ไหมก็กลายเป็นมเมล็ดพนันธุ์แห่งความทุกข์ที่งอกงามขึ้นมาในหัวจิตของใจของเราพอมันกลายเป็นบุคลิกเนี่ยเราจะกลัว mm. ทุกข์กับมันอาตามาเคยเรียนหนังสือกับอาจารย์ท่านหนึ่งตอนที่เรียนปริยโท mm. ท่านสอนวิชาพิจัยแค่เสียงรองเท้าท่านเดินขึ้นตึกมาเท่านั้นเองนะ นิสิตแทบ จ, จะกั้นลมหายใจรอพอผากประตูเข้ามาในรูเลยรังสีอมตเหิตมันมาแล้ว <c ười> <c ười> กลัวกลัวมากกลัวมันจะถามยิ่งเรียนวิชาวิจัยโด้อมันยากเลือกเกินคุณโยมลองคิดดูนะว่าถ้าบุคลิกของเราเดินไปไหนเต็มไปด้วยรังสีอมตห็ให้คนใกล้ตัวเขาสายดสยองแต่เขาไม่บอกเรานะ โชคร้ายมากนะคือเขากลัวเราแต่เขาไม่บอกนะอันเนี้ยคุณมีบุคลึกอย่างนี้แล้วคุณไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยคุณใครเป็นคนที่โชคร้ายที่สุดนะเพราะฉะนั้นท่านดึงบอกไงว่าถ้าคุณเป็นเจ้าน้าให้ระวังคนประเภทดีครับนายสบายครับท่านรับประกันครับผมเขาจะไม่บอกเราว่าเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เนื้อรู้ตัวก่อนที่จะให้คนอื่นมาบอกเพราะเวลาคนอื่นมันบอกเรามันจะบอกครึ่งเดียวใช่ไหมอีกครึ่งหนึ่งไม่บอก อย่งใครมันจะกล้าเตือนเราใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ตัวด้วยตัวเองเราก็จะกลายเป็นหน่วยความทุกข์เคลื่อนที่หน่วยความโกรธเคลื่อนที่หน่วยความริษยาเคลื่อนที่เป็นก้อนทุกข์เคลื่อนที่เวลาไปนั่งจุ๊งปุกอยู่ตรงไหนเวลาเราทุกข์เราไม่ทุกข์คนเดียวนะเนี่ยมาสัมมน า, ามาเจอกันมาจากคนละทิศคนละทางคุยกันไปสักพักวันนี้ฉันถอบทุกข์มาด้วยขยายให้เพื่อนฟัง เพื่อนใสมาจากบริษัทโน้นพอมาได้ฟังในซีดกลับไปเลยเ <P ew> พราะอะไรเมื่อเราทุกคนทุกหนึ่งคนจะกระจายมาเล็ดพันแห่งความทุกข์ให้คนอื่นได้เป็นสิบคนยี่สิบคนสามสิบคนทุกคนคนหนึ่งเครียดมันทำให้คนใกล้ตัวของเราเนี่ยได้รับอิทธิพลไปทั้งหมดถามต่อไปว่าถ้าในครอบครัวถ้าคุณพ่อเป็นคนที่เครียดประจำคุณแม่เป็นคนที่โกรธประจา ลูกๆจะมีสุขภาพจิตเป็นยังไงอาตอมาลาสงสารแล้วคือเด็กๆอย่างนั้นเหมือนกับว่าเขาไปอยุดใต้ต้นไม้แห่งความทุกข์ความโกรธความเกลียดความเครียดถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่บ้านของเราเนี่ยมีคนที่โ ก, กรธเกลียดฉุนเฉียวอยู่เยอะเนี่ยบ้านของเราจะเป็นบ้านที่ไม่สุขถึงแม้จะเป็นบ้านราคาหลายสิบล้านมีเฟอร์นิเจอร์ครบทุกอย่างแต่บ้านมันจะไม่เป็นบ้านเพราะคนมันไม่เป็นคนเต็มคนการเรียนรู้เรื่องสมดุลชีวิต ก็คือการเรียนรู้ที่จะเป็นคนให้เต็มคนด้วยการสามารถบริหารกายบริหารใจบริหารความคิดและบริหารสถานการณ์ต่างๆให้ได้ดีที่สุดถ้าเราบริหารสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยเราสามารถเป็นนายตัวเองเป็นนายสถานการณ์เป็นนายคนอื่นที่พูดมาทั้งหมดจะนำัปสู่กิจกรรมสุดท้ายก็คือว่าอยากให้เราทุกท่านทุกคนได้มองเห็นต้นตอของความทุกข์ นั่นคือจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยถ้าคุณโยมโกรธอาตมาให้สังเกตดูนะว่าเวลาเราโกรธปุ๊บถึงแม้จะเป็นความโกรธเล็กๆที่แวบขึ้นมาในใจขอให้คุณโยมสังเกตตัวเองว่าเอ๊ะมันโกรธเพราะอะไรเอาจิตของเราเนี่ยไปสํารวจความโกรธนะปกติเวลามันโกรธปุ๊บมันก็จะรวมเป็นความโกรธหนึ่งเดียวกันใช่ไหมเหมือนขั้วแม่เหล็กมันจะดูดกันปุ๊บทีนี้เวลามันโกรธเนี่ยลองผลักกันดูซิให้มันต่างขั้วนั้นมันมัผลักกันดูซิขั้วเดียวนั้นไม่ให้มันผลัก ทีนี้ถ้ามันเกลียดเราลองถามเด็กที่ว่าทำไมมันเกลียดเราลองเริ่มตั้งคําถามสมมุติเราตื่นมาปุ๊บอาตมาเคยมีนะหลายปีมาแล้วเมื่อยังไม่เคยฝึกสติอาตมาตื่นมาเอ๊ะทาไมวันนี้เราชุนเฉียวตั้งแต่ตื่นนอนเลยนะคุณโยเคยเป็นไหมตื่นมาปุ๊บรู้สึกเลยเอ๊ะทำไมมันล้ามากเลยเพลียมากแล้วไม่โปร่งเราตั้งแต่ตื่นนอนเคยเป็นไหม ถ้าเราไม่รู้ตัวนะเวลาเราขับรถไปทำงานเราก็จะเป็นอย่างนั้นไปทั้งวันวันนั้นจะเป็นวันที่คิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ยแตมาเ ค, เคยเป็นแล้วแตมาก็พอฝึกสติแล้วเราก็ถามว่าเอ๊ะทำไมวันนี้ฉันจึงฉุนเฉียวนั่งลงบนเตียงถามตัวเองก่อนเอาจิตไปดูจิตพิจารณาไปว่าฐานของความโกรธความฉุนเฉียวอยู่ที่ไหนหรือเวลาไปทางานมันโกรธขึ้นมาปุ๊บเราก็ถามว่าต้นตอมันอยู่ที่ไหน เอาสติไปดูต้นตอมันพอเริ่มเอาสติไปจับต้นตอของอารมณ์ทุกอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นรักโลภโกรธหลงเครียดเอาสติไปจับต้นตอของมันมันพังลงเลยนะมันพังลงเป็นฉากเป็นฉากดังนั้นวิธีที่จะบริหารอารมณ์ของเราบริหารความคิดให้ให้อยู่นอกความเครียดได้ไม่ใช่การพึ่งยาถ้าเราไปหานักจิตบาบัดเนี่ยเขาจะต้องจ่ายยาแล้วแพงด้วยนะ บางคนกินยาเนี่ยมีคนหนึ่งไปหาตมาเขาบอกว่าเนี่ยเม็ดละพันกินที่ไรเขาบอกว่าอุย้ยหนูตัวเลขในแบงก์หนูลดลงทุกทีก็มันเห็นเป็นพั น, เ ป, น, พนเป็นพันหน่ะไปซื้อมาเป็นขวดพอทานยาเข้าไปกล่อมจนให้หลับตื่นช้ามาก็จะเป็นโรคนี้ขาดยาไม่ได้ยาที่ขายดีที่สุดตอนนี้คือคือยาระ ง, งับประสาทนั่นในเมืองไทยเนี่ยทํายังไงเราจะออกมาจากยาได้จะออกจากความโกรธความเกลียดได้ วิธีที่สั้นที่สุดตามแนวทางพระพุทธศาสนาซึ่งตอนนี้ทั่วโลกกำลังเห่กำลังนิยมมากๆเลยคือการฝึกเจริญสติถ้าเราไปพูดในต่างประเทศบอกว่า insight หรือ meditation หรือ mindfulness ตอนนี้ไม่ต้องไม่ต้องนิยามแล้วฝรั่งู้หมดปีที่แล้วนิตยสารทางอิ น, นสวีคขึปนปกเรื่องสมาธิเขาสนใจกันมากซ e ใหญ่ๆนี่สนใจกันมากเรื่องฝึกสมาธิวันนี้ธรรามภาพจะลองให้ทุกท่านฝึก บริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองแล้วก็จัดการความคิดนั่นคือทุกวันเมื่อคุณโยมตื่นขึ้นมาปกติเวลาคนเราตื่นคุณโยมลองนึกดูซิว่าเราทำยังไงตื่นมาปุ๊บความหาโทรศัพท์ใครส่งข้อความใช่ไหมกดๆๆดูตายละเจ้านี่เจ้านี่มาก่อนเลยวันนั้นอารมณ์เสียทั้งวันเลยนะถ้าเจ้านี่มาก่อนเนี่ย อาตมาตอนแรกนับว่าเราลองมาฝึกความเคยชินนะทันทีที่คุณรู้สึกตัวตื่นขึ้นมามให้ทักทายพระพุทธเจ้าก่อนนั่นคือกลับไปหาใจด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวทันทีที่ตื่นปุ๊บอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นนะอย่าเพิ่งทําอะไรทั้งสิ้นให้ไปทักทายพระพุทธเจ้าด้วยกันเรียกเอาความตื่นรู้หรือความรู้เนื้อรู้ตัวหรือสติของเราคืนมาถ้าคุณยังนอนอยู่นะ ถ้ายังนอนอยู่ก็ให้เอามือไปแตะที่หน้าท้องตรงเหนือสะดือเนะีน่ยนัยผู้มลองแตะดูตรงเหนือสะดือเราหนึ่งนิ้วแตะไว้ตรงนี้หรือถ้าลุกขึ้นนั่งบนเตียงก็ให้นั่งอยู่แล้วก็มือมาแตะที่ตรงนี้จากนั้นให้ลองหายใจเข้าหายใจออกแรงๆหายใจเข้าท้องมันจะพองนะหายใจออกท้องจะยุบเข้าพองออกยุบ ถ้าพอออกยุบบางคนพอหายใจเข้าท้องมันไม่พองมันยุบเพราะมันไม่เคยฝึกมาเลยทั้งชีวิตนะจากนี้จะมาขอแนะนำแล้วทุกครั้งที่ตื่นนอนขึ้นมากิจกรรมแรกที่ทำคือทักทายพระพุทธเจ้าโดยการฝึกให้ตัวเองตื่นรู้นั่นคือหายใจเข้าหายใจออก พอเราเอามือมาแตะนี่มันจะช่วยให้เราได้สัมผัสกับท้องของตัวเองกับลมหายใจหายใจแรงๆเป็นการเรียกตัวเองให้สติอยู่กับเนื้อกับตัวถ้าหนึ่งวันเนี่เราตั้งต้นด้วยการมีสติวันนั้นทั้งวันจะเป็นวันที่ราบเรื่นของเราถ้าคุณชมทำอย่างนี้ได้ภายในหนึ่งอาทิตย์นะหนึ่งอาทิตย์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงในตัวเองเลยว่าฉันเป็นคนที่เย็นลงอย่างเหลือเชื่อเย็นลงอย่างเหลือเชื่อ แล้วรู้ทันความโลภความโกรธความหลงความชุนเฉียวของตัวเองได้ดีอย่างเหลือเชื่อก่อนนอนก็ให้ทําอีกอย่างเนี้ยก่อนนอนก็ให้ทําอีกโดยเฉพาะถ้าเราทําก่อนนอนเนี่ยเราจะหลับสนิทความฝันมันจะไม่มาแยบ่านให้ให้เราเหนือ่อยเราลา้าทีนี้ก็มีวิธีหนึ่งทีนี้ถ้าไปทํางานแล้วรถติดหรือฉุนเฉียวอย่างเมื่อกี้แตมาภาพมานั่งรอที่นี่ครึ่งชั่วโมงคุณยมเคยไปที่ไหนแล้วนั่งรอด้วยความงดเงียบไหม นี่แหละเพราะเรารอไม่เป็นถ้าเรารอเป็นเนี่ยแทนที่เรานั่งแล้วเราจะส่งใจให้ฟุ้งไปคุณยมก็นั่งเราก็หายใจเข้าแค่นี้เองหายใจเข้าหายใจออกถ้าทำเป็นแล้วไม่ต้องเอามือแตะก็ได้มันเป็นของมันเองโดยวิธีนี้จะเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอีกวิธีหนึ่งก็คือเวลาเดินให้เดินช้าลง ให้เดินช้าลงนั่นก็คือให้เดินให้เต็มฝ่าเท้าให้เต็มฝ่าเท้าถ้าไม่เอาเท้าข้างหน้าลงก็ข้างหลังลงถ้าคนที่เดินอย่างมีสติมันจะเดินเต็มเท้าแล้วก็เดินอย่างช้าคุณลองคุณมลองฝึกเอาสติไปใส่ไว้ที่การเดินเดินช้าลงสติเราก็จะเพิ่มขึ้นจะถึงด้วยความปลอดภัยมากขึ้น <c oughs> ทีนี้ในการกินในการกิน บางคนก็จะกินพร้อมๆกับรีโมดบางทีตักข้าวไปตักไปตักมารีโมดทิ่มปากเข้าไปเลยพระธรมันอยู่ที่นวดมาเอารีโมดใส่ปากไปเลยเก็จะเป็นกันเยอะใช่ไหมเพราะเราไม่ได้กินจากนี้เวลากินขอให้กินแล้วแล้วก็ให้เคี้ยวข้าวอย่างมีสติเคี้ยวข้าวด้วยการไม่ต้องอ้าปากขนาดเคี้ยวใช่ไหมเคี้ยวอย่างมีสติเงียบเงียบเคี้ยวในความเงียบ เช้่วในความเงียบคือทุกอย่างเนี่ยให้เอาความตั้งใจใส่ลงไปมันจะเป็นกระบวนการฝึกสติทั้งหมดหรือเวลาอาบน้ําก็ให้อาบอย่างมีความสุขบางคนอาบน้ําเนี่ยปั๊บเดียวจบเลยจริงๆถ้าอาบน้ำอย่างมีสติเนี่ยเราจะมีความสุขมากบางทีอาบน้ําไปเนี่ยเชื่อไหมคนลุกเลยนะคนลุกเลยเพราะอะเพราะเราเราจะเริญสติตักแต่ละขามเนี่ยร่าาลงไปเราจะมองเห็นน้ํามันไหลผ่านตัวเอง หรือแม้แต่เปิดฝักบัวให้รถตัวเองเราก็กำหนดสติอาบน้ำให้เป็นอาบน้ำ ช, ะชะ้าๆน้ำอย่างมีความสุขในห้องน้ำเนี่ยเป็นสวรรค์เลยใครไปชะลอสวรรค์ลงมาก็ไม่รู้เวลาน้ำอย่างมีสตินะ่ะเดินลงมามันจะสดชื่นมากกิจกรรมทุกกิจกรรมให้ใส่ความตั้งใจลงไปและมันจะกลายเป็นการฝึกสติทั้งหมดคอสอย่างนี้ยเขาสอนกันใน amazon.com นะแพงมากถ้าจมาสอนฟรี เนี่ยที่เขากล่าวกันว่าต่อไปคนไทยจะต้องไปเรียนมิตรศาสนาที่เมืองนอกมันเป็นความจริงท่านลายลายรามาสไปบรรยายที่นิวยอร์คนไปฟังห0 0มืนคนซื้อบัตรเข้าไปฟังด้วยนะคนละสามพันแปดพันไปฟังพระทำไมฟังพระสอนสมาธิแพงมากๆแต่เขาก็ไปในเมืองไทยน่ยมีสอนอย่างนี้ไม่รู้กี่ที่แต่เราไม่ค่อยสนใจกันอาจจะเป็นเพราะธรรมะถูกทาให้ยาก เพราะฉะนั้นที่อาจารย์มาแนะนํามาเนี่ยก็อยากจะให้ลองทําทําดูแล้วมีวิธีหนึ่งก็คือให้ฝึกสติด้วยการใช้เสียงปกติเวลาเรานั่งทํางานก็จะมีเสียงคุยใช่ไหมบางคนถ้าไม่เงียบนี่ทํางานไม่ได้เลยสั่งการไม่ได้แต่ละมาเนี่ยนั่งทํางานอจตมาไม่เคยมีปัญหาเลยหนังสือบางเล่มเสียงแค่สองคืนก็ได้เพราะเพราะเมื่อเรานิ่งเนี่ยเหมือนองค์ลงประทับเลยตัดสินใจได้เลย แต่บางคนถ้าไม่นิ่งก็ทําไม่ได้วิธีที่ดีที่สุดก็คือเอาเสียงมาเป็นพันธมิตสซนะเช่นโทรศัพท์มาคนทั่วไปเวลาโทรศัพท์มาปุ๊บ ก, กดรับทันทีบางทีมันเป็นระเบิดพลีชีพนะจากนี้ไปให้ใช้วิธีใหม่โทรศัพท์มาอย่าเพิ่งรับได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังปุ๊บหายใจเข้าก่อนเรือกสเตท เอาสักสองครั้งก็ได้นะถ้าสามครั้งมันนานเกินไปเดี๋ยวไม่ทันใจกิ๊กเอาสามสองครั้งก็ได้คือพอโทรศัพท์ดังปุ๊บคนยมหายใจนะทำไมให้หายใจการหายใจคือการเรียกสติให้ตัวเองเมื่อเรียกสติเสร็จแล้วเราจะคุยด้วยปิยะวาจาเคยคุยไหมปกติโทรศัพท์ดังปุ๊บ ก, กดปุ๊บว่าไง มันยังไม่รู้เลยมันกำลังจะคุยกับใครใช่ไหมทีนี้ถ้ามันดังปุ๊บนะคนเดิมหายใจก่อนเอาล่ะตั้งตัวดีๆนะงานนี้หมื่นล้าน <c oughs> พูดมันเพร้อมๆพูดโดยภาษาดอกไม้ใช่ไหมล้วคุณเดมจะไม่ไปทะเลาะกับใครจะไม่ไปปล่อยไก่ทั้งเล้าที่ไหนนะ <c oughs> เคยมีเด็กโทรมาหาอาตมาจู่ๆโทรมาถามว่าที่นั่นที่ไหนอาตมาก็ไหวพริบานอาตมาบอกสอนพญาไทย <c oughs> มันวางโถมเลยเนี่ยนะมันยังไม่รู้เลยว่ามันกำลังคุยกับใครเห็นไหมเพราะฉะนั้นแนมะ้แต่การรับโทรศัพท์คุณโยมก็จเจริญสติได้ฝึกสติได้ฝึกสตินี้ไม่ใช่ของพูดอย่างเดียวมีอาจารย์ท่านหนึ่งมาจากมหาวิทยาลัยแบกเป็นเป็นเป็นครูสอนคริสตศาสนาเป็นมิช i o n a r y ถามว่าผมทุกข์มากผมฝึกสมาธิได้ไหมผมเป็นคริสเตียนนะตะมาบอกว่า อากาศไม่มีเจ้าของไหมไม่มีครับท่านใครก็ตามที่นี้จะบกหายใจเอาอากาศได้ไหมได้ครับท่านการฝึกสติเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าไม่สงวนด้กระสิทธิ์หรอกของมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าใช่ไหมใครมีใครอยากจะฝึกก็ฝึกสิไม่ใช่ว่าอุวันนี้ฉันไปเจรอสติตามแนวพูทธถูกฟอ้องพันล้าน <c oughs> แล้วเมื่อน <c oughs> ี้กร <c oughs> นะสิทธิไม่มีนะไม่มี เพราะฉะนั้นขอให้คุณเป็นคนก็พอละการฝึกสติเนี่ยเป็นชาวพุทธชาวคริสชาชาวมุสลิมชาวอะไรไม่สนขอแค่เป็นคนเพราะอะไรคนทุกคนมันมีความทุกข์ได้ความทุกข์เป็นสิ่งสากลวิธีดับทุกข์ก็เป็นสิ่งสากลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นไม่ว่าอยู่ศาสนาอะไรฝึกได้หมดกล่าวว่ามีกุหลาบดอกหนึ่งถ้ามันบานขึ้นมาเพียงดอกเดียวแล้วถ้ามันหอมจริง มันอาจจะหอมตรบไปทั้งป่าก็ได้ในทางกลับกันถ้ามีดอกอุตพิษอยู่ดอกหนึ่งนะมันก็ทำให้ป่าทั้งป่าเนี่ยไม่น่ารื่นรมได้ในโลกของการใช้ชีวิตและโลกของการทำงานคุณโยมอยากเป็นดอกกุห ล, ลาบหรือเปล่า่ะถ้าอยากเป็นต้องไปฝึกวิธีเนี้ยวิธีดีท็อกซ์หัวใจฝึกสติง่ายๆในทุกๆอิรยาบทแล้วชีวิตมันก็จะดีขึ้นเป็นทันตาเห็น ถ้ามันทำยากเกินไปอย่างแ น, น่นอยทุกเช้าตื่นขึ้นมาให้ทักถายพระพุทธเจ้าก่อนเอาแค่นี้นี่ก็เรียกว่าดีล้นเหลือแล้วอาสมาคิดว่าได้ได้บรรยายมาในเรื่องของการปรับสมดุถจิตปรับสมดุนความคิดน่าจะพอสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดนี้ขออ้างอิงคุณพระศรีรัตนตรยัยมารวมกันเป็นตบาเดชพลวัปัจจัยอานวยอวยชัยให้ทุกท่านทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติจะคิด จะพูดจะทาอะไรก็ถามตัวเองว่าเรายังรู้เนื้อรู้ตัวอยู่หรือเปล่า